2,500 ปีที่พระพุทธองค์ได้ตรัสลูอนุตละสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าอู่ทรงเปียมไปด้วยพระมหาปัญญาคุณพระมหาบริสุทธทิคุณและพระมหากรุณาธิคุณอันนับเป็นคุณธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดธรรมะแห่งองค์พระสันเพชุตา ได้เผยแพร่ไปยังทั่วทุกมุมโลกยังคุ ณ, ณประโยชน์อันไพศาลแก่สรรพชีวิตโดยทั่วไปและเป็นเวลากว่า700รปีนับตั้งแต่สถาปนากรุงสุขโขทยัยเป็นราชธานีของไทย พระพุทธศาสนาได้มีความเจริญรุ่งเรืองและถือเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยประการหนึ่งโดยมีวิวัฒนาการการสืบทอดอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดประชาชนชาวบ้านผู้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในบวรพุทธศาสนาได้ยอมสละโลกิยวิสัยออกบวชถือเพศบรรพชิต สืบทอดตามหลักธรรมขององค์พระาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวได้ว่าสมณวง์ในประเทศไทยนั้นมีปรากฏให้แลเห็นตลอดมาโดยไม่ขาดสายตราบจนปัจจุบัน หลวงปู่แหวนสุจินโนพระคุณเจ้าเป็นพระอริยะสาวกที่มีปฏิปทาศีลาจารวัตที่งดงามกอบด้วยองคุณแห่งพระสงฆ์คือสุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีอุชุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงยายะปฏิปันโน เป็นผู้ปฏิบัติเป็นธรรมสามีจิปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติชอบการปราลบธรรมหรือแสดงธรรมของพระคุณท่านมีความไพเราะนุ่มนวลนละมุนละไมธรรมโมวาดขององค์ท่านเปรียบดุดเสียงทิพย์ที่ไพบูนด้วยธรรมะอันเป็นสากลแห่งสัจจะ ยังความอิ่มเอิบเบิกบานแกสาธุชนโดยทั่วไปอาจกล่าวได้ว่าพระคุณท่านเป็นผู้สืบเนื้อนาบุญอันไพศาลและสืบพระศาสนาโอลานให้ถึงที่สุดนับเป็นพระอริยสาวกที่ควรค่าแก่การกราบไหวบูชาอย่างแท้จริง พระคุณเจ้าหลวงปู่แหวนสุจินโนมีภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่บ้านนาโปงตาบลหนองในปัจจุบันก็คือตาบลนาโปองอำเภอเมืองจังหวัดเลยเดิมชื่อ ย, ยานเกิดเมื่อวันที่16มกราคมพุทธศักราชสตรงกับวันจันทร์ขึ้นสามคำเดือนยี่ปีกุล โดยถือกําเนิดในตระกูลช่างตีเหล็กบิดาชื่อนายสมารดาชื่อนางแก้วรามสิริหลวงปู่มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันคือนางเบงราชอักษร คสั่งของมารดาเมื่อนางแก้วให้กำเนิดหลวงปูได้ประมาณ5ปีจึงเริ่มป่วยอาการมีแต่ทรงกับสุดแม้จะได้รับการรักษาดูแลอย่างดีจากสามีตลอดจนบิดามารดาก็ตามนางแก้วต้องทนทุกทรมานอย่างน่าเวทนาอยู่เป็นเวลานาน แต่เนื่องจากเป็นผู้ที่สนใจในการบูญการกุศลยึดมั่นในคุณแห่งพระรัตนตรัยจึงสามารถควบคุมสติได้โดยตลอดจนกระทั่งเมื่อเห็นว่าไม่สามารถทนทุกขเวทนาต่อไปได้อีกแล้วจึงได้เรียกหลวงปู่เข้าไปหาและได้จับมือไว้แน่นพร้อมกับกล่าวว่าลูกเ อ, อ๋ย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 ขอร้องของมารดาในครั้งนั้นเปรียบเสมือนท่านได้ช่วยชี้ทางสวรรค์และเป็นพลังใจส่งให้หลวงปู่เดินตามเส้นทางนี้จนบรรลุมรคผลแม้จะต้องฝ่าฟันต่ออุปสรรคนับประการและทุกครั้งทางสวรรค์ที่มารดาชี้แนะให้นี้จะดังก้องอยู่ในความทรงจำของท่าน อย่างมิรู้หลือหลังจากนั้นไม่นานมารดาของท่านก็ถึงแก่กรรมด้วยอาการอันสงบวิปโยคในครั้งนี้ก็อให้เกิดความเศร้าโศกแก่หลวงปู่อย่างที่สุดซึ่งต่อมา ท่านก็ได้อยู่ในความอุปการะของตาและยายจนกระทั่งคืนหนึ่งยายของท่านได้ฝันว่าเห็นหลวงปู่นอนในดงขมิน้นผิวกายแ ล, แลดูเหลืองอารามไปหมดนับเป็นบุพนิมิต ท, ที่แจ้งเหตุว่าหลวงปู่จะมีวาสนาในสมณเพศ เช้าตรู่ของวันรุ่งขึ้นยายจึงได้เล่าความฝันให้ฟังว่าเมื่อคืนยายนอนหลับและได้ฝันประหลาดมากฝันว่าเจ้าไปนั่งไปนอนในโดงขมิน้นจนกระทั่งเนื้อตัวของเจ้าแลดูเหลืองอารามไปหมดดูแล้วน่ารักน่าเอ็นดูยิ่งนักยายเห็นว่า เจ้านี้จะมีอุปนิสัยวาสนาในทางบวชฉะนั้นยายขอให้เจ้าบวชจนตลอดชีวิตและขอให้ตายกับผ้าเหลืองไม่ต้องศึกออกมามีลูกมีเมียเจ้าจะทำได้ไหมซึ่งหลวงปู่ได้ตกลงรับตามคำขอร้องนั้นสร้างความปลาปลื้มยินดีแก่ยายเป็นอย่างยิ่ง หลวงปู่มีญาติสนิทเป็นชายอายุรุ่นราวคลาวเดียวกันแต่มีศักดิ์เป็นนาและเป็นเพื่อนเล่นที่สนิทกันมาตลอดวันหนึ่งยายได้เรียกนาและหลวงปู่เข้าไปหาแล้วพูดว่ายายจะให้เจ้าทั้งสองบวชเป็นเนนเมื่อบวชแล้วไม่ต้องศึกเจ้าจะบวชได้ไหม นาได้ตอบรับตามที่ยายขอร้องยายจึงหันมาถามหลวง ป, ปู่ว่าเจ้าเล่าจะบวชอยู่ได้ไหมโดยไม่ต้องศึกซึ่งหลวง ป, ปู่ได้ยืนยันตามความตั้งใจเดิมว่าจะขอบวชจนตลอดชีวิต วัพรพชาเป็นสามเณรนับตั้งแต่ยายได้ถามความสมัครใจของหลานทั้งสองว่าจะบวชจนตลอดชีวิตแล้วจึงได้แสวงหาบริขารสาหรับเพื่บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อครบแล้วจึงได้นำหลานทั้งสองไปถวายตัวต่ออุปชาซึ่งมีศัก์เป็นนาที่วัดโพชัย เป็นวัดประจำหมู่บ้านนาโปงเพื่อฝึกหัดขานหน้าและรับบรรพชาเป็นสามเณรต่อไปในปีพุทธศักราช2439ขณะนั้นหลวงปู่มีอายุ9ปี ได้เข้ารับการอุปสมบทเป็นสามเณรและได้เปลี่ยนชื่อจากยานเป็นสามเณรแหวแนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหลังจากเข้าพรรษาแล้วประมาณสองเดือนสามเณรซึ่งมีศักด์เป็นนาได้อาพากยอย่างหนัก และมรณภาพในที่สุดก็ให้เกิดความสะเทือนใจแก่หลวงปู่แหวนเป็นอย่างมากเพราะสามเณรนั้นเป็นทั้งญาติเป็นทั้งเพื่อนในสมัยเด็กและเป็นคู่นาคสมัยเมื่อบรรพชาเป็นสามเณรการพลัดพรากเป็นทุกอย่างมหันตุชนใดเลยจะสามารถหักห้ามใจได้ น้ำตาจึงเป็นเครื่องปลอบใจของหลวงปู่ในยามเศร้าเช่นนี้กนที่จะจัดการศพสามเณรยายได้พูดเตือนย้ำคำพูดเดิมของท่านอีกครั้งหนึ่งว่าเนนเนน จะบวชไปจนตายกับผ้าเหลืองอย่างนี้ได้ไหมซึ่งหลวงปู่ก็ได้รับคําเช่นเดิมการบรรพชิตที่วัดโพชัยนั้นท่านไม่ได้ศึกษาอะไรเพราะไม่มีผู้สอนวันหนึ่งวันหนึ่งจะมีการไหว้พระสวดมนต์บ้างและเล่นบ้างตามประษาเด็กๆที่มีเวลาว่า การศึกษาของหลวงปู่ตั้งแต่อยู่ในวัยเด็กจนบรรพชาเป็นสามเณรนั้นไม่ปรากฏหลักฐานว่าท่านได้รับการศึกษาอะไรเพราะการศึกษาในสมัยนั้นไม่แพร่หลายเหมือนปัจจุบันดังนั้นท่านจึงได้เดินทางไปยังจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อไปศึกษามูลกระจายเพราะมีสำนักเรียนหลายแห่ง โดยพระอาจารย์อ้วนซึ่งมีศักดิ์เป็นอาได้นำไปฝากกับพระอาจารย์สิงขันตะยาขาโมสิธิ์เอกสำคัญสูงสุดองค์หนึ่งของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตพระอาจารย์เอกทางวิปัสสนากรรมฐานที่มีชื่อเสียงมากที่วัดบ้านสร้างทองอำเภอเกษมศรีมาจังหวัดอุบลรราชธานี ขณะที่ท่านเดินฝ่าเปวแดดมหาอาจารย์สิงห์อาจารย์สิงห์ได้เห็นนิมิตป ร, รากฏที่สามเณรแหวนเป็นแสงโอภาษ์ออกจากร่างเยี่ยงผู้มีบุญญาธิการอาจารย์สิงห์ล่วงรู้ด้วยอำนาจญาณโดยทันทีว่าสามเณรน้อยผู้นี้เป็นผู้มีบุญญาธิการมาเกิดจึงได้ถ่ายทอดวิชาให้จนหมดสิน้น ในสมัยนั้นอุบลราชธานีเป็นจังหวัดที่มีการศึกษามูลกระจายกันอย่างแพร่หลายมีสํนักเรียนที่มีชื่อเสียงหลายแห่งที่เป็นแหล่งผลิตครูอาจารย์ซึ่งจะสอนกันอย่างเป็นหลักเป็นฐานสํานักที่มีชื่อเสียงมากมีครูอาจารย์และนักเรียนจํานวนมากได้แก่สนักเรียนวัดเวรุวันบ้านภายใหญ่ บ้านเคงใหญ่บ้านหนองหลักและบ้านสร้างทอในแคว้นแดนอีสานทั้ง15จังหวัดในสมัยโบราณถ้าบุคคลใดต้องการความรู้จะต้องเดินทางไปศึกษาตามสำนักดังกล่าวการเรียนมูลกระจายนั้นเป็นการเรียนที่ค่อนข้างยากผู้เรียนจะต้องมีสมองที่ดีจึงจะสามารถเรียนได้จบหลักสูตร ซึ่งหากสาเร็จแล้วจะได้รับการยกย่องนับถือจากคนทั่วไปว่าเป็นนักประดิ์เพราะเป็นผู้แตกฉานในทางสามารถแปลหนังสือได้หลวงปู่เล่าว่าการเรียนในสมัยนั้นไม่มีห้องเรียนเหมือนสมัยปัจจุบัน อาจารย์ที่สอนไม่ได้อยู่ในที่แห่งเดียวกันแต่จะแยกกันอยู่คนละที่ดังนั้นเมื่อถึงเวลาเรียนนักเรียนจะต้องแบกหนังสือไปเรียนกับอาจารย์ถึงที่อยู่ของอาจารย์วันนี้เรียนวิชานี้ก็แบกหนังสือไปเรียนกับอาจารย์นี้วันพรุ่งนี้เรียนวิชานั้นก็ต้องแบกหนังสือไปเรียนกับอาจารย์นั้น แบกไปแบกมาอยู่เช่นนี้จนกว่าจะเรียนจบที่ว่าแบกหนังสือนั้นแบกกันจริงๆเพราะในสมัยก่อนหนังสือที่พิมพ์เป็นเล่มยังไม่มีเช่นปัจจุบันนี้หนังสือที่ใช้ในการเรียนการสอนใช้คำพีใบาลานเป็นพื้นนักเรียนต้องเคารพหนังสือเพราะถือว่าหนังสือเป็นพระธรรม จะดูถูกไม่ได้ถือเป็นบาปเวลาว่างจากการเรียนนักเรียนจะต้องเข้าป่าหาใบลานมาไว้สำหรับทำคำภีเพื่อฝึกหัดจานหนังสือ กำลังเรียนหนังสืออยู่นั้นท่านมีอายุครบบวชจึงได้อุปสมบทที่สีมาวัดบ้านสร้างถ่อนั่นเองโดยมีท่านพระอาจารย์แว่นเป็นพระอุปชาสำหรับกรรมวาจาและอนุสาวนาจานั้นไม่ปรากฏชื่อระหว่างกำลังเล่าเรียนท่านอาจารย์อ้วนและอาจารย์เอี่ยม ได้อาพาธด้วยโรคนอนไม่หลับหมอทั้งหลายช่วยรักษาอย่างไรก็ไม่หายหลวงปู่ซึ่งไปเฝ้าพยาบาลได้แนะนำให้อาจารย์เปลี่ยนสมณเพศเสียบางทีโรคอาจหายได้และหากยังมีความอาลัยในสมณเพศอยู่ค่อยกลับมาบวชใหม่อาจารย์ก็ทำตามปรากฏว่าโรคหายดี และได้มีครอบครัวในที่สุดมูลเหตุแห่งการตื่นตนหลังจากอาจารย์อ้วนอาจารย์เอี่ยมลาสิกขาไปแล้วไม่นานบรรดาครูอาจารย์ที่เคยสอนหนังสือคืออาจารย์ชมอาจารย์ชาลี และอาจารย์อื่นๆก็ลาศึกขาไปหมดทำให้การเรียนมูลกระจายต้องหยุดชะงักลง mm. เมื่อครูอาจารย์ศึกไปหมดแล้วตอนนั้นรู้สึกจิตใจว้าวุ่นรวนเรเพราะว้าเวขาดที่พึ่งจึงมาพิจารณาว่าเราจะทำอย่างไรดีในเมื่อบรรดาครูอาจารย์ทั้งหลาย ท่านก็ศึกไปหมดแล้วเช่นนี้เราจะอยู่ที่นี่ต่อไปหรือจะไปที่อื่นจึงพิจารณาต่อไปว่าบรรดาครูอาจารย์ทั้งหลายนั้นท่านศึกออกไปเพราะเหตุไรหนอเมื่อพิจารณาทบทวนไปมาก็เกิดความรู้สึกขึ้นอย่างหนึ่งว่าบรรดาครูอาจารย์เหล่านั้นที่ศึกไปล้วนแล้วแต่เพราะกามทั้งสิน้น เป็นไปในอำนาจของกามกามนี้เป็นอุปสรรคเครื่องขัดขวางบุคคลผู้มุ่งต่อความดีบรรดาสัตว์ทั้งหลายยอมตายเพราะกามนี้มามากต่อมากเพราะสำคัญผิดไม่รู้โทษของกามที่แท้จริงปล่อยใจปล่อยกายให้ตกไปสู่อำนาจของกามเข้าเมื่อถูกกามครอบงมจิตใจแล้วไม่รู้สึก สำคัญผิดคิดว่าดีจึงยอมตัวลงไปบำรุงบำเรอท้ายที่สุดก็ถอนตัวไม่ออกในที่สุดก็หวนระลึกไปถึงความตั้งใจที่ได้รับปากไว้กับมารดาและยายว่าจะบวชไปจนตายกับผ้าเหลือง รำพึงอยู่ในใจว่ามีทางใดบ้างที่จะทำให้เราบวชแล้วอยู่ได้ตลอดไปจนตายกับผ้าเหลืองตามที่รับคำไว้กับมารดาและยายความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นมาว่าการออกปฏิบัติเป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เราบวชอยู่ได้นานตลอดชีวิตเหมือนครูอาจารย์ทั้งหลายในการก่อน ที่ท่านบวชแล้วออกปฏิบัติอยู่กันตามป่าตามเขาไม่ได้อ า, ายลอาวอ์อยู่กับหมู่กับคณะจึงมาคิดทบทวนดูครูอาจารย์ทั้งผู้ที่มีชื่อเสียงบวชแล้วออกปฏิบัติกันในสมัยนั้นว่ามีอยู่ณที่ใดบ้างเท่าที่ได้ทราบข่าวของท่านก็มีอยู่ในที่หลายแห่งด้วยกัน บรรดาครูอาจารย์ที่เป็นนักปฏิบัติผู้มีชื่อเสียงในขณะนั้นมีอยู่สามแห่งด้วยกันคือทางเวียงจันทร์ก็มีทางท่าอูเทนจังหวัดนครพนมก็มีทางสกลนครดูจะดีกว่าเย็นวันนั้นหลวงปู่ได้รีบอาบน้ำตั้งแต่ยังวันเมื่อถึงเวลาพบคำ่ำหลังจากไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้ว จึงได้ตั้งสัจจาทิฐานตั้งตรงต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าขออุทิศชีวิตรงอาจารย์ของข้าพเจ้าแด่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ดีด้วยอำนาจบุญบารมีของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้อบรมสั่งสมมาก็ดี ขอให้ข้าพเจ้าได้พบหรือได้ยินข่าวของท่านในเร็วๆวั น, เ, ววนเมื่อข้าพเจ้าออกปฏิบัติแล้วอุปรสรรคใดจงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าเลยเมื่อตั้งสัจจาทิฏฐานแล้วทำให้เกิดขนลุกสู้เย็นซาบซ่านไปทั่วทั้งตัวเบากายเบาใจจิตใจปลอดโปรงตลอดทั้งคืน เชา้าวันรุ่งขึ้นขณะไปดินทบาทด้บอกความในใจของตนแกโยมอุปถากคือแม่กาสีซึ่งโยมอุปถากได้แสดงความยินดีด้วยพร้อมทั้งกล่าวให้ความหวังไว้ว่าถ้าได้ยินข่าวหรือรู้ว่าท่านอาจารย์มั่นภูริทัตโตมาทีน่นี้เมื่อใดหรือเพียงได้ทราบข่าวว่า ท่านอยู่ณนะที่ใดก็ตามจะรีบบอกข่าวอันนี้ให้ทราบทันทีต่อมาประมาณสองถึงสมวันแม่กาศีโยมอุปถากได้มาบอกข่าวว่าท่านอาจารย์จวงวัดทาตเทิงอำเภอเข่องใน จังหวัดอุบลราชธานีท่านเคยไปกราบนมัส ก, การหลวงปู่มั่นและเพิ่งจะกลับมาไม่กี่วันนี้เองให้ไปถามอาจารย์จวงดูบางทีอาจจะรู้เรื่องราวของท่านอาจารย์มั่นอย่างละเอียดเมื่อได้ทราบข่าวดังนั้นก็ดีใจมากความหวังที่จะได้พบอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เป็นผู้ที่จะสามารถแนะนําสั่งสอนตนได้เริ่มจะเป็นจริงขึ้นมาตามความปรารถนาของตนแล้วเมื่อกลับจากบินทบาทและฉันเสร็จแล้วจึงรีบเตรียมบริขารและบอกลาผู้คุ้นเคยออกเดินทางมุ่งตรงไปวัดบ้านท่าเทิงอำเภอเครื่องในโดยได้เข้านมัสการถามถึงที่อยู่ของหลวงปู่มั่น กับท่านอาจารย์จวงทันทีได้รับการบอกเล่าจากท่านพระอาจารย์จวงเกี่ยวกับหลวงปู่มั่นว่าบรรดาครูอาจารย์ที่ออกปฏิบัติเวลานี้ค<อ>งจะไม่มีใครเกินพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตครั้งแรกผมก็ได้ยินแต่กิติศัพท์มีผู้เล่าให้ฟังว่าท่านเทศเก่ง รู้ใจคนฟังมีผู้คนไปฟังธรรมจากท่านมากมายครั้งแรกผมเชื่อบ้าไม่เชื่อบ้าต่อมาผมมีโอกาสเดินทางไปอุดรผมจึงไปกราบนมัส ก, การฟังธรรมจากท่านเพราะผมไปถึงผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยท่านพูดอย่างนั้นอย่างนี้ จนผมไม่กล้าพูดอะไรผมกลัวท่านมากท่านรู้ใจเราจริงๆเมื่อผมได้กราบในมัส ก, การฟังธรรมจากท่านแล้วผมก็ลาท่านกลับมาถึงวัดไม่กี่วันมา น, นี้เองไม่กล้าอยู่กับท่านนานวันเพราะท่าทางคำพูดของท่านน่ากลัวถ้าท่านจะไปศึกษาอยู่กับหลวงปู่มัน ไปเถิดผมยังมองไม่เห็นใครเวลานี้นอกจากท่านเพียงองค์เดียวท่านปฏิบัติได้เด็ดเดี่ยวจริงๆท่านชอบไปองค์เดียวไม่ชอบไปเป็นหมู่คณะมีนิสัยหลีกเล่นปราลบความเพียนไม่ท้อถอยมีพระภิกษุสามเณรและประชาชนจำนวนมากไปกราบนมัสการ และฟังธรรมจากท่านเสมอมิได้ขาดจากการได้ฟังคําบอกเล่าจากท่านพระอาจารย์จวงเช่นนั้นทำให้หลวงปู่เพิ่มความศรัทธาในหลวงปู่มั่นมากยิ่งขึ้นแม้จะยังไม่เคยได้พบเห็นมาก่อนก็ตามหลวงปู่ได้พักอยู่ที่วัดบ้าน่าตเทิงกับท่านพระอาจารย์จวงพอมีกำลังดีแล้ว จึงได้กราบลาท่านเพื่อไปติดตามหาหลวงปู่มั่นต่อไปโดยออกเดินทางโดยไม่ย่อท้อต่อความทุรกันดารจากวัดบ้าน่าตเทิงอำเภอเรื่อไในผ่านไปตามเส้นทางต่อไปนี้คือม่วง30สิบคำเขื่อนแก้วยะโสธรเลิงนกทามุกดาหารคำชะอี นาแกสกลนครพันนานิคมสว่างแดนดินหนองหารอุดรบ้านผืนในนับเป็นการเดินทางไกลและยาวนานเป็นครั้งแรกพบอาจารย์มั่นภูริทัตโต เมื่อเดินทางเข้าเขตอุดอรแล้วท่านได้พยายามสอบถามหาที่พักของหลวงปู่มั่นในที่สุดได้ทราบว่าหลวงปู่มั่นพักอยู่ที่อำเภอบ้านผือจึงรีบติดตามไป ท, ทันทีเมื่อเดินทางไปถึงอำเภอบ้านผือแล้วได้สอบถามชาวบ้านได้ทราบว่าหลวงปู่มั่นกําลังพักภาวนาอยู่ที่โดมมาไฟ บ้านคอจึงรีบเดินทางตามท่านไปยังสถานที่ดังกล่าวนั้นณที่ดงม่ไฟบ้านคอนี่เองหลวงปู่ได้พบอาจารย์ที่ตนเองอยากพบมานานเป็นครั้งแรกประโยคแรกที่หลวงปู่มั่นถามคือมาจากไหน เมื่อเรียนท่านว่ามาจากอุบลท่านได้กล่าวเป็นประโยคที่สองแต่เป็นคำแรกที่ท่านสั่งสอนว่าเออต่อไ ป, อไปนี้ภาวนาความรู้ที่เรียนมาให้เอาใส่<า>ตู้ไว้ก่อนคำพูดเพียงเท่านี้รู้สึกว่ามีความหมายมากเหลือเกินในขณะนั้น ตามความรู้สึกแล้วเมื่อได้พบท่านตามความตั้งใจไว้ก็แสนจะดีใจเมื่อท่านพูดว่าต่อไปนี้ให้ภาวนายิ่งเพิ่มความดีใจขึ้นไปอีกเท่าตัวเพราะความตั้งใจของตนบรรลุตามความประสงค์แล้วประกอบกับอาจารย์บอกให้ภาวนาทำให้จิตใจของลุงปู่ในขณะนั้น อิมเอิบอย่างบอกไม่ถูกเพราะความปรารถนาของตนได้สำเร็จตามความตั้งใจแล้วอาพาธและพบอาจารย์หนูสุจิตโตในปีพุทธศักราช2489นั้น หลวงปู่แหวนจำพรรษาอยู่ที่วัดบ้านปงอเอแม่แตงในพรรษานั้นท่านอาพาธเป็นแผลที่ขาอักเสบได้รับความทรมานมากไปบินทบาทไม่ได้พระภิกษุสามเณรอื่นก็ไม่มีชาวบ้านไม่ได้เอาใจใส่เท่าที่ควรมีผู้ทรงข่าวไปให้พระอาจารย์หนูสุขจิตโต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 เมื่อฉันเช้าเสร็จแล้วจึงรีบเดินทางไปบ้านปงเมื่อไปถึงที่บ้านปงได้พบหลวงปู่แหวนอาภาษหนักพระอาจารย์หนูจึงบอกให้ชาวบ้านไปหาหมอมาผ่าชื่อหมอจี้อดีตเคยเป็นทหารเสนารักษ์เมื่อหมอมาแล้วเวลา17นาฬิกาก็ลงมือผ่าทันทีโดยไม่มีการฉีดยาชา ก่อนลงมือผ่าพระอาจารย์หนูได้ขอโอกาสท่านพูดว่าต่อไปนี้หมอเขาจะผ่าเอาความเจ็บปวดออกผ่าเอาโรคร้ายออกเขาไม่ได้ผ่าท่านอาจารย์นะเขาผ่าดินน้ำลมไฟต่างหากหลวงปู่พูดว่าเออแล้วท่านก็กำหนดจิตเข้าสู่สมาธิทันที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 ท่านก็ออกจากสมาธิลืมตาขึ้นพระอาจารย์หนูถามว่าท่านอาจารย์เจ็บไหมหลวงปู่พูดว่าพอสมกวรแม้ยาแก้ปวดหลังการผ่าตัดหมอก็ไม่ได้ให้ฉันรุ่งขึ้นอีกวันหมอมาล้างแผลให้หลวงปู่พูดว่าวันนี้เบาๆหน่อยนะ เมื่อวานมือหนักไปหน่อยท่านพูดเพียงเท่านั้นก็ไม่ได้พูดอะไรอีกเจ็บมากน้อยอย่างไรท่านก็ไม่ได้พูดหรือแสดงอาการว่าได้รับความเจ็บปวดจากบาดแผลท่านคงอยู่อย่างปกติแต่เดินไม่ได้เท่านั้นท่านอาจารย์หนูต้องอยู่เฝ้าพยาบาลอยู่หลายวันเมื่อครบเจ็ดวันต้องกลับดอยแม่ปัง รออยู่ระหว่างพรรษาก่อนไปท่านได้มอบภาระการดูแลหลวงปู่แหวนให้แก่ชาวบ้านให้ดูแลท่านไม่ให้ทอดทิ้งท่านอย่างแต่ก่อนซึ่งเขาก็รับปากว่าจะดูแลเฝ้าพยาบาลเป็นอย่างดีเมื่อมอบการรักษาพยาบาลหลวงปู่ให้ชาวบ้านป่งแล้วท่านอาจารย์หนูก็กลับไปดอยแม่ปัง การอ า, าพาธของหลวงปู่ในคราวนั้นเป็นอยู่นานจนกระทั่งเดือนเมษายนในปีต่อมาอาการอ า, าพาธจึงดีขึ้นแต่ก็ยังไม่หายสนิทยังเดินไปไหนไกลๆ ไ, ไม่ได้นิมนต์หลวงปู่มาอยู่วัดดอยแม่ปัง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 ก็จะได้ถวายการดูแลอุปถากได้โดยง่ายไม่ต้องไปไปมามาอยู่อย่างนั้นอันนี้เป็นความคิดอยู่ในใจของท่านพระอาจารย์หนูไม่ได้บอกใครให้ทราบด้วยที่ไม่ได้บอกใครให้รู้ก็เพราะความไม่พร้อมบางประการเนื่องด้วยที่ดอยแม่ปังเสนาสนะที่มุงที่บังเป็นของถาวรก็ไม่มีปัจจัย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 อาจจะเป็นเสียงของจิตสร้างขึ้นมาก็ได้เมื่อคิดเช่นนั้นก็ไม่ได้ใส่ใจต่อไปจากวันที่ได้ยินเสียงหลวงปู่มาอีกสามวันมีศรัทธามาจากบ้านปงนิมนต์ให้ไปรับทานที่วัดบ้านปงเมื่อผู้นิมนต์กลับไปแล้วรุ่งขึ้นวันใหม่หลังจากฉันอาหารแล้วท่านพระอาจารย์หนู ปรึกษากับศรัทธาชาวแม่ปังว่าท่านอาจารย์แหวนสุจินโนปัจจุบันท่านจำพรรษาอยู่วัดบ้านปงมีอายุมากแล้วอยู่ทางบ้านปงได้รับความไม่สะดวกเพราะขาดผู้อุปถัมภ์ถ้าจะนิมนต์ท่านมาอยู่ด้วยที่วัดดอยแม่ปังนี้ศรัทธาจะขัดข้องอย่างไรบ้างหรือไม่พวกศรัทธาที่อยู่ณที่นั้น ต่างก็พูดว่าไม่ขัดข้องยินดีถ้านิมนต์ท่านมาได้ท่านอาจารย์หนูจึงบอกว่าถ้าเช่นั้นวันไปรับทานที่วัดป่าบ้านปงจะถือโอกาสนิมนต์ท่านมาด้วยคณะศรัทธาชาวบ้านแม่ปังต่างก็แสดงความยินดีแต่โดยความเป็นจริงแล้วชาวบ้านแม่ปัง รู้จักหลวงปู่แหวนสมัยนั้นเพียงไม่กี่คนเพราะหลวงปู่ยังไม่มีชื่อเสียงเกียรติคุณปรากฏออกไปสู่คนภายนอกดังเช่นปัจจุบันนี้เมื่อไปถึงวัดป่าบ้านโป่งแล้วหลวงปู่ก็ถามท่านพระอาจารย์หนูว่ามีศรัทธามาด้วยกี่คนท่านพระอาจารย์หนูก็กลาบเรียนว่ามีศรัทธามาด้วยสองคน หลวงปู่พูดว่าดีแล้ววันนี้รับทานเสร็จแล้วให้เอาบริขารของอาตมาไปด้วยจะไปอยู่แม่ปังด้วยท่านอาจารย์หนูพร้อมด้วยหลวงปู่แหวนและศรัทธาชาวบ้านแม่ปังอีกสองคนก็ออกเดินทางจากวัดป่าบ้านปงไปพักอยู่ที่วัดป่าบ้านช่อแลหนึ่งคืนวันรุ่งขึ้น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 ท่านอดทนมากทีเดียวรวมเวลาที่หลวงปู่แหวนอยู่จำพรรษาในวัดบ้านป่าปงเป็นเวลา11ปีและได้มาจำพรรษาอยู่ณกุฏิไม้หลังน้อยที่มีความกว้าง 3.24 เมตรและยาวเพียง 5.23 เมตรเท่านั้น ท่ามกลางดงไม้สักอันเป็นสถานสงบตามธรรมชาตินวัดดอยแม่ปังอเภอพร้าวจังวังหวดเชียงใหม่นับเป็นวิเวกสถานที่ก่อให้เกิดสงัดใจจิตเหมาะแก่การเจริญภาวนาธรรมยิ่งนักผู้มุ่งมั่นแสวงหากรมสมบัติย่อมไม่นิยมยินดีในอรันชาวไพร แต่พระอรหันต์ทั้งหลายเชกเช่นพระคุณท่านซึ่งปราศจากความติดแล้วมิใช่ผู้แสวงหากรมสมบัติจักยินดีในอรันชาวไพรเป็นร ม, มนียสถานฐานะของหลวงปู่ในวัดดอยแม่ปัง เมื่อหลวงปู่ได้มาอยู่ที่วัดดอยแม่ปังแล้วครั้งแรกท่านพักอยู่ในกุฏิหลังเล็กๆหลังหนึ่งการมาอยู่วัดดอยแม่ปังหลวงปู่ได้มีข้อตกลงกับท่านพระอาจารย์หนูว่าหน้าที่ต่างๆเช่นการดูแลรักษาเสนาสนะก็ดีการปกครองพระภิกษุสามเณรก็ดีการสั่งสอนพระภิกษุสามเณรก็ดี การต้อนรับแขกก็ดีการเทศนาสั่งสอนอบรมประชาชนก็ดีภารกิจการบริหารวัดก็ดีการให้ศีลให้พรแก่สาธุชนผู้มาบำเพ็ญกุศลก็ดีและกิจอย่างอื่นๆบรรดามีที่จะเกิดขึ้นภายในวัดและนอกวัดให้ตกเป็นภาระของท่านอาจารย์หนูแต่เพียงผู้เดียวส่วนองค์ท่าน จะอยู่ในฐานะพระผู้เท่าผู้ปฏิบัติธรรมอย่างเดียวนอกจากนี้หลวงปู่ท่านยังตั้งสัจจะว่าต่อไปนี้ท่านจะไม่รับนิมนต์ไปที่ไหนไหนไม่ว่าใครจะมานิมนต์จะไม่ขึ้นรถลงเรือแม้ที่สุดถึงจะเกิดอาพาธป่วยไข้หนักเพียงใดก็ตามจะไม่ยอมเข้านอนรักษาในโรงพยาบาล ถึงาธาตุขันจะทรงตัวอยู่ต่อไปไม่ได้ก็จะให้สิ้นไปในป่าอันเป็นที่อยู่ตามอริยโคดอริยวงซึ่งบูรพาจารย์ท่านเคยปฏิบัติมาแล้วในการโกรความศรัทธาของประชาชน ศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้มวลมนุษย์ทั่วโลกเบาบางกิเลสพระพุทธศาสนาเป็นหนึ่งในสมสถาบันหลักและเป็นเอกลักษณ์ของประชาชนไทยทั้งชาติโดยเป็นทั้งศาสนาและปรัชญาเพราะเป็นคำสอนที่รวมยอดจริยคติกับสัจธรรมแห่งปรัชญาเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน พระคุณเจ้าหลวงปูแหวนสุจินโดได้สืบทอดพระพุทธศาสนามาโดยตลอดท่านได้เน้นให้เห็นถึงความเป็นไปในสภาวะธรรมปลุกให้คนที่หลับอยู่ในกองไฟแห่งความหลงนิยมในลาบยศสันเสริญสุขให้ตื่นหนีจากไฟที่เผาผลาญ น, นั้นสอนให้คนประพฤติตนให้สมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์อันประเสริฐ ให้มีความเพียรสลัดความเห็นแก่ตัวรู้จักเผชิญทุกขและเห็นความทุกข์ของคนอื่นสอนให้มนุษย์ทุกรูปทุกนามบำเพ็ญตนอย่างมีศักดิ์ศรีเมื่อยามที่มีชีวิตก็ให้มีชีวิตอันเลิศทั้งนี้เพื่อความหลุดพ้นจนถึงนิพพานในที่สุดท่านได้ยอมสละโภคกรัพย์สมบัติในคราว่าดวิสัย ออกถือเพศบรรพชิตจาริกทุดงกรรมฐานบำเพ็ญสมณะธรรมโดยหลีเกเล่นตนเองออกสู่ทางสันโดษตลอดระยะเวลายาวนานนับหลายสิบปีต้องฝันฝ่าอุปสรรคนานปการทั้งภัยธรรมชาติที่โหดร้ายทาลุณสัพะสัตที่เป็นปฏิปักษ์ต่อมนุษย์ความธุระกันดาล โรคภัยและความอดอยากหิวโหยนับว่าท่านได้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์อย่างแท้จริงที่ตรัสว่าพระอรหันต์ทั้งหลายอยู่ในที่ใดจะเป็นบ้านหรือป่าก็ตามจะเป็นที่ลุ่มหรือที่ดอนก็ตามที่นั้นควรค <น S 1> เป็นภูมิยินดี คนที่เดินทางในที่มืดย่อมสแสวงหาประทีปชั้นใดพระรัตนไตรยย่อมเปรียบประดุจประทีปส่องสว่างชี้ทางให้แก่ผู้ที่ปรารถนาความดีงามฉันนั้นพระคุณเจ้าหลวงปู่แหวนสุจินโนได้สืบทอดหลักธรรมแห่งพระพุทธศาสนาโดยเคร่งครัดท่านเป็นสมณนะที่จเจริญตามรอย แห่งเบื้องพระยุคลบาทขององค์พระศาสดาอย่างมุ่งมัน่นมอบชีวิตถวาย จ, จิตใจเพื่อรับใช้พระสัจธรรมท่านได้บำเพ็ญเพียนทางวิปัสสนากรรมฐานอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่เพื่อความหลุดพ้นจากโลกิยภูมิเข้าสู่โลกุตระภูมิ ภูเขาศิลาที่ไม่สะเทือนด้วยแสงแดดไม่สะทานด้วยสายลมฉันใดเชกเช่นความรักความศรัทธาของสาธุชนที่มีต่อพระคุณท่านฉันนั้นประชาชนจำนวนมากจากทุกภาคของประเทศและจากต่างประเทศที่ศรัทธาในหลวงปู่ต่างมุ่งตรงมานมัสการท่าน แม้ขณะที่ท่านมรณภาพไปแล้วประชาชนจํานวนมากก็ยังมุ่งตรงมาเพื่อเคารพศพของท่านอยู่ตลอดเวลาหลวงปู่แหวนสุจินโนนับได้ว่าเป็นพระอริยสงฆ์อย่างแท้จริงชีวิตของท่านที่ครองพรหมจรรย์อยู่ในร่มกาสาวัสัมาตลอดชีวิตท่านได้สั่งสมผลบุญบารมี และเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนผู้เดือดร้อนได้แสดงธรรมอันมีคุณวิเศษเป็นนิจสิงธรรมที่พระคุณเจ้าแสดงนั้นเป็นเครื่องขจัดความเศร้าหมองของสาธุชนพุทธบริษัทตลอดมาจึงนับได้ว่าท่านเป็นพระอริยสงฆ์สุปฏิบันโนอย่างแท้จริงสารคดีอมตะพระอริยสงฆ์ ได้ดำเนินมาถึงท้ายรายการแล้วโอกาสนี้ต้องกราบลาไปก่อนขออนุภาพแห่งพระพุทธคุณพระธรรมคุณและบารมีแห่งหลวงปู่วแหวนสุจขขินโนได้โปรดประทานและอำนวยพรให้ท่านผู้ชมทุกๆ ท, ท่านมีความสุขตลอดไปสวัสดี